จับความรู้สึกผ่านลมหายใจจะทาโดยโอลพรอภิวัฒนเสวีข้อนี้คุณอาจต้องพูดชี้นำนิดหนึ่งคือบอกญาติว่าพระพุทธเจ้าเน้นสอนให้มีสติมีสมาธิอยู่กับสิ่งติดตัวทุกคนคือลมหายใจแทนที่จะปล่อยให้ใจเคว้งคว้างไร้หลักไร้ราวเกาะ ก็ลองมาสังเกตเล่นๆดูว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกที่หายใจเข้าออกอยู่นั้นยาวหรือว่าสัน้นสุดปอดหรือแค่ตื้นตนผู้ป่วยที่ต้องนอนนิ่งๆไม่มีอะไรทาอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตนั้นพอมีอะไรให้ทาก็มากทาแม้ขณะฟังคุณพูดเขาก็น่าจะมีแก่ใจสังเกตลมของตนเองว่ากาลังเข้ากำลังออกกำลังยาวอยู่ หรือว่ากำลังสั้นอยู่ไปด้วยขอให้จับความรู้สึกของญาติในแต่ละครั้งที่เขาหายใจเข้าออกว่าเขากำลังรู้สึกสบายผ่อนคลายมือเท้าคลายหรือว่ารู้สึกอึดอัดฝืดฝืนมือเท้าเกรงรู้สึกอย่างไรก็ลองทักถามญาติไปว่ารู้สึกเช่นนั้นจริงไหมเอาทีละจุดเช่นเท้าเกรงอยู่หรือเปล่า มือเกร็งอยู่หรือเปล่าคิ้วขมวดอยู่หรือเปล่ารู้สึกอึดอัดในอกอยู่หรือเปล่าตรงนี้สบายขึ้นไหมตรงนั้นสบายหรื อ, อยังหากญาติตอบเป็นตรงข้ามกับที่คุณรู้สึกก็อย่าเสียใจหรือหากญาติตอบตรงกับที่คุณรู้สึกก็อย่าดีใจแต่ให้วางใจเป็นอุเบกขาแล้วสังเกตใหม่เพื่อจดจำไว้อย่างถูกต้องว่าญาติหายใจแล้วอึดอัดคืออย่างไร ญาติหายใจแล้วสบายคืออย่างไรฝึกเพียงไม่กี่ครั้งในที่สุดคุณจะพบว่าเขารายงานตรงกับความรู้สึกของคุณเองหลังจากจับความรู้สึกสบายหรืออึดอัดในแต่และระลอกลมหายใจของญาติได้ให้ลองสังเกตลึกลงไปจะพบว่าคุณมีความสามารถในการรู้ละเอียดขึ้นกล่าวคือสามารถเห็นได้ว่า ญาตมีใจจดจอ่อกับลมหายใจแค่ไหนอาการตั้งใจรู้ตั้งใจดูลมหายใจแต่ละครั้งแบ่งออกคร่าวๆได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งเพ่งจ้องมากเกินไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนจับนกไว้แน่นเกินไปนกตายเราก็ไม่ได้ตัวนก ในที่นี้คือคุณเห็นว่าญาติบีบคั้นตัวเองจนไม่รู้ลมหายใจก็ทักเขาว่าอย่างนี้คือกำลังบังคับให้ตัวเองรู้ลมหายใจมากเกินไปจนกระทั่งไม่รู้ลมหายใจหรืออะไรเลยจริงไหมข้อที่สองใส่ใจน้อยเกินไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนจับนกไว้หลวมเกินไป นกหนีเราก็ไม่ได้ตัวนกในที่นี้คือคุณเห็นว่าญาติปล่อยปละละเลยจนไม่รู้ลมหายใจก็ทักเขาอย่างนี้ว่าเมื่อลอยอยู่ใช่ไหมข้อที่สมมีสติรู้กำลังพอดีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนจับนกไว้ไม่แน่นและไม่หลวม นกก็อยู่ในมือเราเราได้ตัวนกในที่นี้คือคุณเห็นว่าญาติเห็นลมหายใจตัวเองได้อย่างชัดเจนก็ทักเขาว่าอย่างนี้รู้ลมอยู่ใช่ไหมนี่ยหละไม่เข้นมากเกินไปไม่ปล่อยปละจนเกินไปอย่าสนใจว่าญาติจะทำได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนแต่ให้ใส่ใจว่า คุณมีความรับรู้ตรงกับภาวะที่เกิดขึ้นกับญาติจริงเพียงใด